ที่เดชันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาธรรมะหรือว่าสนทนาซักถามกับพระอาจารย์พระมหาภพบูร์อภิปุโน่ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่ารอนหาโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลรอนหาโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารับอรุณกันเลยนะคะ กล่าวนำพิ ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจียบานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมขอนําคําถามที่คุณคมสันได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยคุณคมสันบอกว่าเนื่องจากที่ผ่านมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้กล่าวหรือว่าได้เทศหรือว่าได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของสติ ดังนั้นเนี่ยทางคุณคมสันก็เลยขอความเมตตาที่จะเขียนถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสติมาเป็นข้อๆรวมทั้งหมดประมาณ4ข้อนะเจ้าคะ่ะยอมยมขออนุ ญ, ญาตอ่านข้อแรกก่อนแล้วกันนะเจ้าคะคุณคมสันถามว่าสติวิญญาณและนามรูปมีนิยามที่แตกต่างกันแต่เมื่อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในนามรูปหรืออารมณ์ที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการภาวนาสติ จะเป็นธรรมเครื่องกั้นกระแสให้วิญญาณกลับมาสู่เสาเกิดเสาหลักคือกายและสติเหมือนจะเป็นธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่นํารูปและวิญญาณตั้งอยู่สติที่เกิดขณะนั้นเป็นธรรมที่ไม่ใช่อยู่ในขันห้าใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาโอเคนะทำการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทอมเรื่องของคำํคำคําแต่ละคํานิดห น, หนึ่งใช่ใช่สติคือการระลึกได้แตการที่เราเระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั่นคือสติตั้งสิ้นเลย เช่นว่าเราระลึกถึงชื่อแม่เราได้นี่ก็เป็นสตินี่คือการระลึกได้เราระลึกถึงหน้าคนนั้นได้อ๋อจำหน้าจำได้คนนี้เคยเรียนที่นี่ด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการระลึกได้ทีนี้การระลึกมันก็มีทั้งที่เป็นสัมมาสติกับมิจฉาสติถูกไหมสัมมาสติก็คือสิ่งที่เราระลึกแล้วจะเป็นไปในทางที่เป็นกุศลคือกายเวทนาจิตธรรมอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉา สติตั้งสิน้นะทีนี้ถามว่าเวลาที่จิตเนี่ยบุญญาของเราเนี่ยนะ <Okay. S 1> ไปตั้งอยู่ในอารมณนะ์หรือว่านามรูปที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการภาวนาอันนี้หมายความว่าไงนะเช่นว่าอารมณ์แห่งการภาวนาคืออะไรแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันจะเป็นไปเพื่อความระ ง, งับความรู้ยิง่งความรู้พร้อมที่ผ่านอันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แห่งการภาวนา <Okay. S 1> นะคือการที่จะพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นไปได้นะเช่นว่าเรื่องของสมาธิ เช่นว่าเรื่องของการให้มีศีลการให้ตั้งอยู่ในความเพียรการฟังธรรมะความนิ่งความที่มีการสำรวมอินทรีย์พวกนี้เป็นอารมณ์แห่งการภาวนาได้ทั้งสิ้นรวมถึงการรู้จักการประมาณในการบริโภคการอยู่เสนาสนะสงัดแต่พวกนี้เป็นอารมณ์แห่งการภาวนาได้ทั้งสิ้นแล้วอะไรที่มันไม่ใช่อารมณ์แห่งการภาวนารวมกันง่ายๆก็คือการพยาบาติเบียดเบียนแต่ความคิดไปในทางการต้องการกินตรงนั้นอร่อยตรงนี้ ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อันนี้ไม่ใช่อารมณ์แห่งการภาวนาล ะ, ะ, ละจิตเราก็จะเปิดออกนะฟุ้งไปนะมีเวอะหวะไปตามตามหูจมหูลิ้นกายนะเป็นช่องทางที่จะให้มานั้นเข้ามาดึงไปได้เนะพราะจิตมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไปยึดถือในสิ่งต่างๆยึดถือในสิ่งต่างๆนี่อะไรบ้างก็ขันทั้งๆต่างนั่นเองแต่คําถามของคุณคกมศักดิ์ในที่นี้ก็จึงถามว่าสติที่เกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยเกิถ้าเราจิตเราเผลอไปแล้วนะ แล้วเรามีสติระลึกได้ดันดีโอ้เดียวเดีเดียวนึกผิดนะเนี่ยไปนึกเรื่องลมหายใจดีกว่าอืฉันเป็นนึกผิดนะเนี่ยเป็นนึกถึงอาหารนึกถึงการงานนึกถึงเรื่องคนอื่นนึกถึงอะไรไม่รู้นึกถึงความเบียดบันเดี๋ยวไปนึกถึงกายดีกว่ายไปนึกถึงกระดูกนึกถึงเอ็นนึกถึงหนังอันนี้ก็คือกายคตาสติก็ได้แต่วันนั้นถามว่าสติที่เกิดขึ้นขณะนั้นเป็นธรรมที่ไม่ใช่อยู่ในการห้าใช่หรือไม่นะคํำตอบก็คือใช่สิเพราะว่าการห้าเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ แต่สติเป็นส่วนของมรรคแต่พระเจ้าแบ่งออกเป็น4ส่วนคุณเตือนใจแตนะ่ส่วนแรกคือทุกแตนะ่ทุกคือขันธนะ์ห้าอะไรมีลักษณะของขันธ์หก็คือมีความไม่เที่ยงแนะมีความเปลี่ยนแปลงไปไดนะ้มีธรรมชาติที่เป็นทุกนะ์มีธรรมชาติที่ปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วสติเนี่ยมีคุณลักษณะแบบนั้นไหมแนะต่คําตอบก็คือมี แต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าขันห้าเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความยึดถือได้ทั้งสิ้นแนะสติน่ยก็จะเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดนะความปล่อยวางมันจะต่างกันตรงนี้โอเคนะคือ ส, ส, ส่วนสี่ส่วนที่พระเจ้าแบ่งไว้ตามมรรยาสาวสใช่ไหมอันแรกคือเรื่องของทุกนะอันสุดท้ายคือเรื่องของมครคทุกกับมครคเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกันตรงที่ว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสมาธิเที่ยงไหมคุณเดินใจว่า ไม่เที่ยงเจ้าค่ะเพราว่าเมื่อก่อนเราไม่มีเดี๋ยวนี้เรามีมาใช่มไหม<ช>คนที่มีมาสมาธิเสื่อมไปเขมีก็ไม่เที่ยงเหมือนกันขันห้าเที่ยงไหมไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถูกปะภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยสองอย่างนี้นะขันห้ากับมรรคแบบมันต่างกันตรงนี้เดินใจว่าขันห้าเนี่ยส่วนที่จะเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมที่จะเป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ย ผู้ชอบปาดออกมาแยกไว้เรียกว่ามร่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นมร์กเนี่ยก็จะมีคุณสมบัตเนนิเหมือนกันห้าเหมือนกันมร์กเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความยึดถือได้เหมือนกันแในในขณะเดียวกันตัวมันก็จะไม่เกิดความคลายกําหนัดระ ง, งับความรู้ยิง่งความรู้พร้อมนิพานเป็นไปในทางนี้ก็จึงนในทางที่ดีว่างั้นเถอ<ร><น>ะถูกต้องถูกต้องเป็นไปในาทางาที่มันจะให้ไปสู่นิพานอ่ะคัก็จึงเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นมร์กในขณะเดียวกันนะก็ต้องเข้าใจว่า มันเป็นคนละอันกันครับเรื่องของขันห้าแต่แต่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลกันอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นสติตรงนี้นะถ้าบอกว่าไม่ใช่ขันห้าอันนี้เข้าใจถูกอยู่นะถูกต้องไม่ใช่ขันห้าแต่เป็นส่วนที่เรียกว่ามรแต่แต่ว่ามันก็มีคุณสมบัติที่เหมือนขันห้าแต่คือบางคนอาจจะเถียงว่าอ๋อมก็ไม่เทียงเหมือนกันหนิมันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันหนิมันน่าจะเป็นขันห้าเหมือนกันมันก็ยืดอถือได้เหมือนกันก็เข้าใจถูกอยู่นะแต่วันนี้ก็คือต้องเข้าใจระบบที่พระเจ้าแบ่งหน้าที่กัน เนีย่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแง่งมุมของการปฏิบัตินั่นเอง อ, อันนี้คือคำถามข้อแรกของคุณกรมสันร์เจ้าค่ะก็ ม, มาถึงคำถามที่สองนะเจ้าค่ะอ่าก็ถามว่าปัญญาเป็นธรรมเครื่องอ่าปิดกระแสเหล่านั้นปัญญาก็เป็นธรรมที่ไม่ใช่ขันห้าใช่หรือไม่เจ้าค่ะอ๋อสีนสมาที่ปัญญานะี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมรถูกต้องนะที่ว่าปิดกั้นกระแสที่เป็นบาปปิดกั้นกระแสที่เป็นอกุศล สติเนี่ปิดกันดนดก้นได้ศีลปิดกั้นได้การสำรวมอินทรีย์ปิดกั้นได้ <c oughs> การฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆปิดกั้นได้การทําความเพียรปิดกั้นกระแสะที่เป็นอกุศลและทได้ <c oughs> การที่เราอยู่ในเซนาสน์นาสงัดรู้ประมาณในการบริโภคสํารวมอินทรีย์ในะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องปรารบความเพียรเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติยานัตสนะนึ่งพวกนี้จะเป็นการที่จะปิดขั้นกระแสะของหม่าน แปิดกั้นกระแสที่มันจะมายุ่ยยวนล่อ ล, อลวงให้เรากลับไปยึดถือในกันท่าอีกเนะี่เพราะว่าเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่พูดง่ายๆก็คือ3ส่วนนะคุณสัญญาน ะ, ะมันจะเป็นไปเพื่อคันคลายออกลอกออกเปิดออกแเปิดอะไรออกเปิดอวิชชาออกลอกอะไรออกลอกตันหาออกขูดอะไรออกขูดเจ้ากิเลสออกนั่นเองแต่เพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปเนี่ย นะักกุศลธรรมใหม่ๆที่มันจะมาพอกพูนเพิ่มพูนมันก็มาไม่ได้นะักุศลธรรมเดิมเดินที่มีอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆลอกออกเปิดออกนะักกุศลธรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยมีมามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นต่บขึ้นนะักุศลธรรมที่เรามีเดิมมีอยู่แล้วก็จะเจริญขึ้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจบอ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องบ่มนะบ่มก็เรียกว่าบ่มายานนั่นคือการรู้ยิ่งรู้พร้อมของเรา เนีบ่มขึ้นนี้มันดีขึ้นนี่มันสุก ข, ขึ้นนี้มันเจริญมากขึ้นนะเนี่ยบ่มให้แก่กล้าขึ้นใช่นเป็เจ้าค้าปัญญาของเราแล้เจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องให้มีความแก่กล้ามากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จึงมีศัพท์ที่ผู้เช่าอีกใช้อีกคําหนึ่งก็เรียกว่าอินทรีนะให้มีความอินทะรียนะ์มีความแก่กล้ามากยิ่งขึ้นแต่อินทรีย์คือองค์ประกอบที่ทําให้จิตเรามีกําลังนะก็คือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะปัญญาก็จึงเป็นหนึ่งในส่วนนั้นที่ ที่คุณเดินใจว่าเนี่ยแหละว่าทําให้มันมีความแก่กล้ามีความแข็งแรงมีความกําลังพลังมากขึ้นนั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอต่อไปข้อสามเลยนะเจ้าค่ะข้อสามที่คุณคมสันก็เขียนถามว่าขณะที่นามรูปและวิญญาณดับไปรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วเกิดวิชาแล้วขึ้นแล้วนี่นะเจ้าค่ะหลังจากนั้นคือจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายปัญญาและวิชานี้ ยังคงมีอยู่แก่ผู้อรหันต์ในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือไม่เจ้าขาพันจันเจ้าขาในขณะที่พระอรหันต่บรรลุธรรมแล้ว อ, อ่าใช่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ต้องมีปัญญาแล้วก็มีวิชาอยู่แน่นอนเพราะว่ า, าความทุกข์ณขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่ดับสนิทมันยังมีอะไรเป็นความทุกข์ขอยู่นะก็คือพระาเปรียบเทียบอย่างนี้เออเปรียบเหมือนกับคนที่เอ่อถูกยิงด้วยลูกศร ที่อาบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้าใช่ไหมแล้วผ่าปรากฏไปหาหมอหมอก็เอาเครื่องเอ็กซเรย์นะตรวจหาหัวลูกศรตรวจหาหัวลูกศรเสร็จปุ๊บเจอแล้วก็ใช้มีดคมๆเนี่ยผ่าปากแผลแล้วเปิดออกแล้วก็หยิบไอเจ้าหัวลูกศร น, นี้ออกมานะหัวลูกศรก็คือเหมือนกับกระสุนน่ะนะถูกเราถูกกระสุนยิงใช่ไหมหัวกระสุนฝังอยู่ในร่างกายของเราหมอเขาจะเอ็กซเรย์ก่อนว่าหัวกระสุนอยู่ตรงไหน แล้วก็เอามีดเปิดปากแผลในขีบหัวกระสุนออกมาอะไรที่มันอักเสบ อ, อะไรต่างๆก็แต่งให้มันดีนะใส่แผลให้มันหายนะเพราะว่าไอ้ตรงกระสุนนี่มันอาบยาพิษด้วยแล้วก็ปิดแผลไว้อย่างดีแล้วก็สั่งคำชับนะสั่งคำชับกับคนป่วยเนี้ยบอกว่านี่แผลหัวลูกศรรอ อ, อกแล้วนะแผลสา่ยะาให้เรียบร้อยแล้วนะนะเย็บเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะอย่าไปกินของแสลงนะ เพนะราะว่าจะต้องรักษาแผลให้หายแล้วก็คอยล้างแผลให้ดีอย่าให้ถูกลมถูกแดดแต่ถ้าถูกลมถูกแดดก็คอยรักษาแผลอย่าให้เกิดกลางด้วยเลือดด้วยซรายด้วยสิ่งสกปรกของโสโครกอย่าทําอย่างนั้นพระพุทธเาก็เปรียบเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีช่องคือแผลเนี่ยก็คืออายตนะต่างๆใตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ถูกยิงเนี่ยถูกยิงด้วยลูกศรลูกศรก็คือตันหานะพี่ของมันก็คืออวิชชา เครื่องตรวจหาหัวลูกศรนี่คือเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็คือเปรียบเหมือนสตินะสแกนเข้าไปเจอมันอยู่ตรงไห น, นเอามีดปาดออกนะเพื่อที่จะดึงไอ้เจ้าหัวลูกศร อ, ออกมามีดนั้นก็คือปัญญาแล้ว <Okay. S 1> นะพอเอาปัญญาปาดเข้าไปดึงเอาตันหาออกมาได้แล้วนะใส่ยามีโพชงเป็นต้นมีมักแปดเป็นต้นเพื่อให้แผลมันหายนะไอ้พิษของมันถอนออกได้หมดเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็นะปิดแผลไว้อย่างดีอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นแหละ แล้วก็ยังมีแผลอยู่ แ, แผลในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายชายยังมีอยู่ ค, คือแผลหายเรียบร้อยแล้วนะปัญหาถูกถอนออกเรียบร้อยแล้วนะไอ้เจ้าพิษของลูกศร น, นั้นก็ถูกถอนออกหมดเรียบร้อยแล้วเนะหลือแต่แผลเนี่ยที่เราต้องรักษาให้มันปิดสนิทยอย่างดีเพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นแหละในที่ว่าก็ไม่ทําสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายต่อการที่น้อมไปสู่นิพพานโดยชอบแล้วนะก็คือหมายความว่า ก็ยังมีการสำรวมอินทรีย์ยังมีการนั่งสมาธิมีการเจริญภาวนาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวที่ทําให้เข า, เาทําอย่างนั้นได้คือจิตของคนที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยก็จะโน้มน้อมไปในการกระทําอย่างนั้นอยู่แล้วเหล่านี้คือปัญญาของท่านเพราะฉะนั้นในคําถามที่ถามว่ า, าพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยปัญญาและวิชาตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่นั่นเองมีปัญญามีวิชาอยู่ ถึงแม้ท่านพระสารีบุตรในขณะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะเวลาที่เหลืออยู่ของท่านเนี่ยที่เป็นผู้เลิ่ ด, ด้วยปัญญาเนี่ยท่านก็ใช้ปัญญาตรงนั้นในการบอกสอนคนอื่นไะด้ตอนที่ท่านปรินิพานแล้วนะพระพุทธเาก็ยังเคยยืนยันกับท่านพระอานนท์นะนะคุณจันทร์ใจว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์ไปด้วยนะ่ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกยังอยู่ในโลกแต่เพราะข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นนะไม่ได้มีในนิพานอืมเจ้าค่ะอืม ก็หมายถึงว่าทิ้งไว้ในโลกนี้เพื่อให้ผู้ศรทธาที่เกิดชนที่อยู่รุ่นรานงี่ได้ปฏิบัติตามต่อไปถูกไหมเจ้าคะคือคําสอนเหล่านั้นยังคงอยู่นั่นเองนะแล้วใครหยิบไปปฏิบัติก็สามารถทําได้หรือตัวนี้จึงต้องการจะอธิบายถึงกันในข้อที่สี่ที่คุณคมสรรถามมาตรงนี้พอดีว่าวิมุตต์กับนิพพานเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะที่พระสุเกตมาบอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เนี่ยไม่ได้ออกไปด้วย นะ อ, ยอยู่ที่นี่อยู่ยังอยู่ในโลกอยู่ <Okay. S 1> นะ ม, นมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าวิมุตต์เนี่ยหมายถึงความพ้นเะช่นว่าในขณะที่เราเข้าสมาธินี่นะเราพ้นแล้วจากความคิดในทางการในะความคิดในทางพยาบาตรความคิดในทางเบียดนะเบ <Okay. S 1> ียนเราพ้นละเราพ้นจากตรงนี้หรือว่าในขณะที่จิตของเรามีเมตตาอยู่ในขณะที่จิตของเรามีมีสติอยู่เนี้ยกุญแจเขาจะด่าจะว่าเราอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นไปตามอํานาจทางหู เขาด่าด้วยคําเจ็บๆแสบๆเราเราก็เออยังสบายใจอยู่ได้ฮะแต่คนที่ปฏิบัติธรรมอาจจะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นนะนะทาเมื่อก่อนนี่ด่าฉันด้วยคํานี้ฉันจะจี๊ดทันทีเลยแต่ตอนนี้เอ๊ะทำไมเธอด่าฉันด้วยคําเดียวกันฉันก็รู้สึกเฉยๆอยู่ได้ยังไงนั่น ค, คือวีมุดนะคือวีมุดคือพ้นนะพ้นจากเรื่องผูกคือหูเป็นต้นในกรณีนี้หรือว่าพ้นจากความที่เราจะไปกําหนัดยึดติดต่างๆ เดีมื่อก่อนถ้าไปเดินหางสับสินค้าเนี่ยแหมเห็นอันนี้ต้องซื้อและต้องเข้าไปดูเชยชมมันนะทางตาทา ง, ทา ง, ทางสัมผัสอะไรต่างๆแต่แเดี๋ยวนี้เห็นแล้วก็เฉยๆไม่ได้แบบจะต้องไปเอ่อไปอีออหรือว่าไปเชยชมยินดีกับสิ่งนั้นแล้วก็ลักษณะว่าเราพ้นแล้วเหมือนกันอันนี้คือคำที่ที่สามารถใช้ได้เลยก็คือคําว่าวิมุตเลยมีมุตเลยพล้นเลยแต่ว่ามีมุตแบบเนี้ยบางทีมันยังกลับกับเริ่มไง ย่งกลับกันเริ่ ม, ม, มแต่มันก็จะมีวิมุตชนิดที่ไม่กลับกําเริบก็คือความพ้นจากกิเลสแต่สมมติว่าถ้าเราพ้นจากราคาโทสะโมหะนั้นแล้วก็พ้นจากาวิชานั่นพ้นจากการครอบงาของอวิชาตรงเนี้นั่นก็คือว่ามันพ้นแล้วพ้นเลยใ น, ในกรณีตรงกันข้ามนะคือบางทีเราอยู่ในสมาธิเนี่ยจึงอยู่เราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ไม่มีความกลัวความรู้ความห ล, ลงจิตใจเราแจม่มใสใสสว่างแต่ว่าถ้าเชื้อ คือรากเง่าหรือว่าพิษของมันยังอยู่แต่ื่อทีราคาโทรศัท์มือมันเกิดกลับขึ้นมาใหม่ได้เชื้อรากเง่าหรือว่าพิษของมันตรงนี้คืออวิชชานั่นเองอืมคุณค่ะสมมติว่าเราอยู่ในสมาธิทุกอย่างเรียบร้อยเงียบเชียบไม่มีปัญหาอะไรสบายใจดีใช่ไหมพอออกจากสมาธิเดาเจอเหตุการณ์นั้นได้รับโทรศัพท์อันนี้เห็นข่าวอันนั้นเริ่มละเริ่มละเดาจีจัดบ้างรุ่มลงบ้าง อันนี้ก็คือ <c oughs> ราคาตัวสามมืออาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่า <c oughs> อะไรเพราะว่าวิชามันยังมีรากของมันอยู่ตรงนั้นจุกขาแต่ทีนี้มันก็ยังไม่พ้นแบบสนิทนะนะคือพ้นอยู่นะเป็นบางช่วงเวลาแต่จะให้พ้นสนิทเลยจบสิ้นไปเลยก็ต้องเอาเจ้ออาอวิชานี้ออกไปด้วยจุกขาแต่ทีนี้ความแตกต่างกันระหว่างวิมุติที่หมายถึงความพ้นตรงนี้กับ น, นิพพานเนี่ยโดยคําศัพท์ก็ต่างกันละนิพพานแปลว่าความเย็นนั้นดับเย็นนันดับเย็น เพราะนั้นนิพพานเนี่ยพระเจ้าพูดไปชัดเจนว่าไม่มีความร้อนไม่มีความเย็นไม่มีแสงสว่างความมืดก็ไม่มีธาตุสีดินน้ําไฟลมก็ไม่มีในนั้นอธิบายลักษณะใ น, นสภาวะอย่างหนึ่งที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นจะอธิบายในความหมายคนละแ ง, มมมนะ ง, แงม่มุมนะคนละแง่มุมซึ่งถ้าเปื่อว่าวิมุติ ก็คือต้องการจะอธิบายสื่อถึงความที่เราเป็นอิสระจากภาษาต่างๆอันนี้จะใช้คําว่าวิมุตตะเป็นอิสระจากตัางหุจมุริ้วกายใจในขณะนิพพานนี่เพื่อที่จะสื่อถึงสภาวะาที่เป็นความดับเป็นความเย็นเป็นความที่ไม่มีอะไรฟุ้งขึ้นม า, มนาจะมีความแตกต่างตรงแ ง, ง่ตรงนี้เจ้าค่ะ น, นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างอ่าคําว่าวิมุตต์หรือวิมุตต์กับนิพพานเจ้านะจค่ะใช่ ในบางครั้งพระรูปเจ้าก็ใช้คําเหล่านี้แทนกันน ะ, าะบางทีก็ใช้วิมุตต์แทนนิพพานบางครั้งก็ใช้อย่างนั้นเหมือนกันอนนกิดพูดถึงวิมุตต์เนี่ยโดยพระสูตรนี้ใช้คําว่านิพพานอีกพระสูตรหนึ่งใช้คําว่าวิมุตตะในในความหมายแบบเดียวกันก็มีอืเจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, คะก็แสดงว่าในสองคำนี้ก็ออ่มีส่วนคล้ายกันอยู่ค่อนข้างมากใชเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ขณะที่ที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นส่วนที่คล้ายกันอยู่นั่นที่ว่ามันก็เป็นอิสระจากสิ่งอื่นใช่ไหม คในขณะที่วิมุตต์นเนี่ยจะมาเอาเน้นในเรื่องของการที่เป็นอิสระจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่ยังจะมีเชื่อมโยงกันอยู่ในโลกอยู่บ้างาในขณะที่นิพพานนั้นก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือที่จะเป็นความเย็นอีกฝั่งหนึ่งไปที่ว่าหมดเสิ้นจริงๆนะเจ้าค่ะใช่ใชมเจ้าค่ะไม่มีการกลับกลับกําเลิอกอีกแล้วถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะก็สําหรับคําถามที่คุณคมสันได้เขียนถามมา ในเช้าวันนี้ที่ได้นํามาสักชาแล้วก็นกํามากราบนักสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาพัยบุ์อภิปุโนโ น, นั้นเนี่ยไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะเพื่อที่จะสรุปเป็นองค์รวมให้ทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็คุณคมสันผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะได้เข้าใจกระจ่างขึ้นอีกในเวลาที่เหลืออยู่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะตัวนี้มีประเด็นหนึ่งที่คําถามตัวนี้เขาเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เสาเขื่อนเสาหลัก นะว่าเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยที่ว่าจะเป็นธรรมที่จะทําให้เป็นการปิดกั้นกระแสแห่งอกุศลธรรมะนะครัว่าเสาเขื่อนเสาหลักในที่นี้ก็คือกายาคตาสติแตนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไวนะ้เหมือนกับการที่เราเอาสัตว์หชนิดนะถ้าเราเอาสัตว์6ชนิดเนี่ยนะมีสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้นกงูแล้วก็ลิงนะเรอาสัตว์6ชนิดเนี้ยมาผูกด้วยเชือกเหนียว แตทีละเส้นละเส้น <จบ S 1> แล้วก็เอาปลายของมันเนี่ยมาผูกรวมกันไว้ตรงกลางในเวลาที่เราเอาปลายของมันมาผูกรวมไว้ตรงกลางเนี่ยแล้วปล่อยออกเนี่ยนะตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะฉุดดึงสัตว์ตัวเนินไปน ง, งูก็จะเข้าไปในจอมปลวกใช่ไหมจระเข้<ๆ>ก็จะลงน้ํานกก็จะบินขึ้นฟ้าลิงก็จะเข้าปา่าสุนัขบ้านก็จะเข้าไปในหมู่บ้านสุนัขปลาแลสุนัขจิ้งจอกก็จะไปในป่าชา้าแต่ตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็จะดึงสัตว์ตัวเนินไป อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละในะอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปสู่จิตจะวิ่งเข้าไปสู่จิตแล้วถ้าจิตเนี่ยไม่ได้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงมันก็จะถูกสิ่งเหล่านี้ดึงไปแต่ถ้าตามีกําลังมากจิตของเราจะถูกตาดึงไปแต่ถ้าหูมีกําลังมากเช่นเขาพูดคําเสียดแทงแลจิตเราก็จะถูกหูดึงไป นะถ้าลิ้นมีกําลังมากกินอาหารชนิดที่แบบว่ารสชาติมันแย่มาก <Okay. S 1> ลิ้นมันก็จะดึงจิตออกไปนะลักษณะาการตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะดึงจิตเราไปทางใดทางหนึ่งถ้าอันไหนมีภาษาที่แรงกว่ากันเป็นไปนในทางที่ชอบพอลุ่มหลงก็ไดงนั้นหรือเป็นไปนในทางที่ขาอยากแยง้แยงเกลียดชังก็ได้ทั้งนั้นนะอันนี้คือคําว่าอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นที่แรนไปสู่จิตนะถ้าจิตไม่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงมันก็จะถูกดึงไปนะอันนี้เป็นเป็นกรณีที่1 เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงอันนี้คือคนยังไม่พ้นแะต่คนที่พ้นแล้วเขาก็จะต้องมีที่ตั้งที่ถูกต้องแตนะ่พระเจ้าก็เปรียบเทียบกับว่าเอาแทนที่จะเอาปลายเชือกข้างหนึ่งเนี้ยมาผูกกันรวมกันแล้วก็ปล่อยซะไม่ใช่เอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี้ยมาผูกไว้กับสเสาเขื่อนหรือเสาหลักแตนะเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี่เป็นยังไงก็คือเป็นเสาที่แข็งแรงแตนะ่ถ้จะเปรียบเทียบก็คือว่าเอาเสาหินมาเลยเป็นเสาหินตั้งแท่งนะไม่มีรอยต่อ นะยาวสิบหกศอกนะกว้างหนึ่งศอกเสาหินทั้งแท่งนะฝังลงไปในดินอย่างดี8ดศอกนะทำมุมชากกับพื้นโลกตบให้แน่นอย่างดีนะเอาสัตว์หเชนิดนี้มาผูกไว้กับเสาแบบนี้นะแล้วเวลาที่มันจะดึงไปไหนมันจะดึงไม่ได้เลยมันก็จะติดอยู่ตาวนั้นอันะนี้ก็เปรียบเทียบกับการที่ว่าเราเอาจิตของเราเนี่ยมาผูกไว้กับสตินะกายคตาสติในที่นี้ ก็คือการที่เรามีสติอยู่ในกายเช่นว่าเรารู้ลมหายใจก็ได้เรามาพิจารณาเห็นผลขนเล็บฟันหนังพวกนี้ก็ได้แตนะพวกนี้จะเป็นกายการที่เราให้สติเนี่ยอยู่ในขอบเขตผิวหนังของเรานะคือให้ใจของเราเนี่ยอยู่ในขอบเขตผิวหนังของเรานะไม่ออกนอกขอบเขตผิวหนังของเราว่างั้นเถอะนะคือไม่ฟุ้งออกไปนอกกายนะใช่บุคคลที่<ช>เป็นอย่างนี้นั่นก็คือจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สติ แนวแรกก็คืออินทรีย์เป็นที่แล่นไปสู่จิตใช่ไหมแล้วถ้าจิตเนี่ยไม่มีที่ระลึกตั้งที่ระลึกถึงนั่นคือกรณีแรกนะมันก็จะถูกดึงออกไปทางช่องทาง6กทางนี้แต่ถ้าในกรณีที่2จิตเรามีสติเป็นที่ตั้งก็คือจิตเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่สตินะจิตจะเป็นที่แล่นไปสู่สตินะพอจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติแล้วคือมีสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วจิตนั้นได้รับการรักษาสตินี่แหละจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตนะวิมุติคือความพ้น คือความที่จิตนั้นพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้แต่ จ, จิตนั้นพ้นจากการที่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมาดึงไปนั่นก็คือเจ้าสาัตว์หกชนิดเนี่ยจะดึงไปไม่ได้เพราะจิตมีที่ตั้งนั่นคือสตินันเป็นระดับขั้นนะคุณดิฉันจซ้าอีกครั้งหนึ่งนะอินซีนะเป็นที่เล่นไปสู่จิตถูกไหมถ้าจิตเนี่ยไม่มีสติรองรับมันก็จะดึงจิตเนี่ยไปตามช่องทางออกไปไม่หมดนะทีะนี้ถ้าอินทรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิต เข้ามาหาจิตจิตเรารับรู้จิตเราจะต้องเป็นที่เล่นไปสู่สติถ้าจิตเรามีสติแล้วสตินี่แหละจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตต์ก็คือหลุดพ้นนะวิมุตตินี่แหละจะเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานอืมมเพราะนั้นมันจะวิมุตต์กับนิพพานจะไม่เหมือนกันีเดียวแก็วิมุตต์ก่อนแล้วจึงนิพพานพ้นอะไรพ้นจากอะไรก็คือจิตนั้นพ้นจากไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะมาดึงไปพราะจิตนั้นที่มีสตินะจิตที่มีสตินะ พ้นนะคือวิมุตนะจากเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตนั้นที่มีสติถูกพ้นแล้วก็จะไปสู่นิพพานได้อืมเจ้าค่ะเป็นขั้นตอนนี้ันก็คือที่สูงสุดเลยนะเจ้าคะ่ะใช่ๆช่ใ ช, ใชเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะพอยมฟังพระอาจารย์ ได้เมตตาสากฉามานะเจ้าคะ่ะถ้าหากว่าท่านฟังทางบ้านตั้งใจฟังเหมือนกันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าฟังแล้วเข้าใจกระจางทีเดียวเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาภพบูร์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารัตนของเรานั้นท่านเมตตาที่จะอธิบายอย่างชัดแจ้งมากเลยนะคะดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ถามคือคุณคมสันและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆนะคะก็คงจะเกิดความรู้ความกระจาง ในประเด็นนี้กันอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังรายการธรรมรัปรูปซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาไพาบูลอภิปุโนท่านเป็นองค์ปาถกประจารายการแล้วแล้วก็รับรองว่าจิตของท่านนั้นเนี่ยก็จะแล่นไปในทางที่วันนึงก็จะถึงวิมุตและก็วิ่งไปหานิพพานได้ถ้าหากว่าท่าน ประพฤติีประพฤติชอบแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมมีอริยมรรคมีองค์แปดดำเนินไปตามรอยทางที่องค์พระจจมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะแล้วก็เมตตา สร้างไว้ในโลกนี้ถึง 2,600 กว่าปีมาแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารารุลรรในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะนะ่าเสียดายจริงๆเราจะขอเรียนเชิญท่านได้กลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโ น, โนท่านได้เมตตาที่จะมาพูดคุยธรรมะให้ได้รับฟังกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ในทุกๆเช้าวันจันทร์นั้นก็จะเมตตาที่จะพูดคุยอ บรรยายธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษค่ะจากนั้นก็ในวันต่างๆอาจารย์อังคารพูดพระหั ส, สุขก็มีเรื่องต่างๆกินไปพระอาจารย์ตอบปัญหาบ้างอะไรต่างๆแต่สาวอธินากับ มาพบกันใหม่ในช่วงของการสากักการะกับดิฉันเตือนใจสินทุบเน็กนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตกราบน้ำมศการขอพระกุลและกราบน้ัสการลาพระอาจารย์พระมหาพัยบุญอวิปุนโนและพระเดชพระกุลหลวงพ่อดออรสอาดทิโตภาโสหรือท่านพระกุลจิตพิพากกรเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าข า, พ, า, า, ขาพบกันใหม่ในเสาร์ที่หน้านะเจ้าค่ะเรียนบานกราบน้ัมศการเจ้าคขา